พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าเคารพหลักธรรมวินัยเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา มันเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถของพวกเราพวกเราได้ฟังพระปฏิโมกจบกรงสักครูนี้อันนี้คือสินและวินียที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดจรู้ใหม่ก็ไม่ได้บัญญัติเรื่องกฎระเบียบเพราะต่างองค์ก็ต่างอยู่พระสงมีน้อยเพราะในช่วงนั้นเขาคงจะ พระสงฆ์บวชเข้ามาก็เป็นผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจไม่ได้มีเรื่องราวบวชเข้ามาแล้วก็มีแต่ศึกษาในภาคปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนอย่างไรพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามพอต่อมาช่วงหลังๆก็ผู้ที่สนใจก็มีบวชมาเพื่อ หรือยังชีบก็มีบวชมาเพื่ออย่างอื่นบังคับให้มาบวชก็มีสรุปแล้วก็คือบวชไม่ศรัทธาบวชด้วยความจําเป็นและจําใจพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างที่อยากจะทํทาทําตามอําเภอใจทําตามอัตถาใจอยากจะทํา พระสงฆ์ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้มุ่งมั่นในอัตในธรรมเห็นอาการอย่างนั้นก็ไม่สบายใจก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์ในธรรมไม่ถูกต้องดังนั้นจึงมีบัญญัติพิในขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติพิในพระพุทธองค์ให้วัวทัพปฏิโมก เป็นอันดับแรกสัพ ป, ปะ ป, ปัตสักรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสั จ, จิตตปริโยดปานังการทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานะสาสนังนี้แหละคือทมคำสอนของพระพุทธเจ้า สรุปแล้คือพระ อ, องค์จนย่อเขอา้ามาตัวใจหลส ะ, ะ, ะสัพปะปัสสะการะร่ังการไม่ทำบาปทั้งปวงการไม่ทำบาปไม่คิดไปในทางบาปไม่ทำไปทางบาปไม่พูดไปทางบาปแล้วบาปจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพอเราไม่คิดไม่ทาไม่พูดแล้วการไม่ทำบาปทั้งปวง คิดนในทางแง่เหตุผลคิดไปนในทางที่ถูกต้องคิดการในการสดสวยงหาทางพ้นทุก์นี่หละที่พระพุทธองค์บัญญัติวินัยก็เพราะว่าพระสงฆ์บางกลุ่มบวชด้วยความจำใจบวชด้วยความไม่ตั้งใจบวชเข้ามาแล้วก็ไม่รักษาหลักพระธรรมวินยัยทําอย่างที่ตัวเองอยากจะทําถ้าเราได้อ่านในพระไตรปิฎกแล้วพวกเราจะรู้ว่า ปิดในของพระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นเพราะพระสงฆ์กระทาความผิดคือกระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ไปตามธรรมปินัยเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านกดใช้กฎกษัตริย์กฎระเบียบของกษัตริย์นำมาปกครองคณะสงฆ์ เพราะว่าพระสงฆ์ทุกองค์มาบวชในศาสนาของพระองค์ศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าดังนั้นพวกเราเข้ามาในศากยบุตรก็เข้ามาในกรอบระกกฎระเบียบของกษัตริย์พวกเราจะเห็นได้ในเสียทิยวัตรที่พวกเราสวดจบจากครูนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทย เราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสู้สู้เราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฟีปากเราจะไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตุยเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดล้วนแล้วจะเป็นมนารยาสสมบัติผู้ดีทั้งนั้นถ้าเราได้คิดและคอยได้พิจารณา อ, อให้ถี่ถ้วนแล้วนะับเป็นสมบัติผู้ดีเป็นสมบัติผู้ได้รับการศึกษาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือเป็นสมบัติ สากยบุตรคือบุตรของพระพุทธเจ้าวันนั้นถ้าเรานึกย้อนดูสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานพระหมหากัตสปะเถระที่เป็นประธานสูงจะงได้ประชุมสงฆ์ว่าถ้าหากว่าเราไม่จัดพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่กระจัดกระจาย รมวินัยก็คงจะอยู่ไม่ได้นานแต่สมัยนั้นยังไม่มีการบันทึกเป็นหนังสือมีแต่การจดจำกลุ่มนั้นอาจารย์องค์นั้นให้จดจำเรื่องวินัยพระไตรปิฎกเรื่องพระวินัยอาจารย์กลุ่มนี้ให้ศึกษาเรื่องพระสูตรอาจารย์กลุ่มนี้ให้ศึกษาเรื่องพระอภิ ธ, ธรรมหรือว่าไก่ภาคปฏิบัติกิจภาวนา ใคล้ายก่แบ่งกันให้จดจําไม่ได้เขียนใส่ตำรับตำราพระไตรปิฎกอย่างทุกวันในสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือหรือจะมีก็ไม่ทราบนกันแต่ในพระไตรปิฎกและท่านไม่ได้บอกเอาไว้เพวันะนั้นพระหมากระสปะเถระเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานถวายพระเพลิงและถวายพระบรมศพของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหากปาปะพอได้หารือต่อสูงว่าเราจะทำยังไงหลักพระธรรมวินัยเพราะพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นสิทยิอนุสิทธ่บวชภายแก่ก็พูดลักษณะจ่วงจับจ่วงจับก็คือพระสงฆนะ์ร้องห่มร้องให้พระสงฆ์ที่เป็นพระเสขะคือผู้ยังต้องศึกษาอยู่ ออยังไม่ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานลงไปพระ ส, สงฆ์เหล่านั้นก็รู้สึกเสียใจร้องไห้เพราะตัวเองเข้ามาปฏิบัติยังไม่ได้มรรคได้ผลพระพุทธเจ้าก็จากไปเสียแล้วคือความรู้สึกแต่มีพระบวชภายแก่องค์หนึ่งท่านก็ขุ้นเชื่องในการเป็นอยู่ของครวญ ท่านมอกจะร้องให้ทําไมพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วกดีแล้วถ้าว่าพวกเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําได้ตามอาเภอใจทําได้ตามอัธย า, า, าใจอยากจะทําอะไรในเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะ่ะท่านห้ามอย่าทําอย่างนั้นอย่าทำอย่างนีนง้ดูวินัยของท่านนะดูสิบัญญัติขึ้นมาถึงเยอะแยะแต่บัด น, นี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วตายไปแล้วพวกเราอยากจะทําอะไร ก็ทำได้นะเนยเพราะไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีผู้จะห้ามอีกแล้วคำนี้ละ่ะพระมาหากระเปเทระที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษามากท่านได้ยินและท่านสลดใจโอ้ถ้าหาว่าพระหลายๆองค์พูดอย่างนี้หลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยคงจะไม่ถึงห้าพันปีแน่แล้วจะทำยังไงก็ ห, หารือต่อสง่ง จึงได้มีการทําสังฆายนาเป็นครั้งแรกนะเรื่องพระธรรมวินัยแต่านี้ผมจะไม่พูดในรายละเอียดผมจะพูดตรงที่ว่าเมื่อพระสงฆ์พร้อมกันไปชุมในวันนัดประชุมกันแล้วพระมหากัสปาก็ถามว่าเราจะหารือเรื่องอะไรก่อนในธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าเราจะหารือเรื่องพระวินัยหรือเรื่องพระสูตรหรือเรื่องพระอภิธรรม เรื่องพรอภิธรรมก่อนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจระบบพระอภิธรรมพูดถึงจิตถึงใจความนึกคิดของจิตใจความนึกคิดของความรู้สึกอันนี้ก็คือเกี่ยวกับภาคปฏิบัติหรืรอว่าอภิธรรมหรืรอว่าประมัติธรรมเรื่องพัสูต์ก็คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเอาเป็นมาอย่างไรภาษาวกเป็นมาอย่างไรพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรพระองค์สอนพระพุทธศาสน า, ท, า, สนาที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือพสัสดุ ส่วนพระวินัยก็คือกฎระเบียบที่พระพยายาุทธเจ้าบัญญัติให้สง์ปฏิบัติอย่างพวกเราสวดจบลงสักครู่นี้เนะี่ยคือพระวินัยจิงสองร้อยิบเจ็ข้อเนี่ยคือพระวินัยพระสงฆ์ก็หาหรือกันที่มีพระมหาเถระพระมหากัจจ ป, ปิณประธานผลที่สุดสงฆ์ก็ลงมติกันว่าพระพยายาุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของเราตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญเรื่องกฎระเบียบหรือพระวินัยก่อนเพราะพระสงฆ์ยังมีวิเัยยังมีศีลอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่นานเท่านั้นพระพุทธเจ้ากล่าวาว่าเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้ว ทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตาของพวกท่านทั้งหลายคือให้พวกเราเคารพเมื่อพระพุทธเจ้าปริเนธผ่านแล้วพระพุทธเจ้าพวกเราจะเคารพใครพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เคารพหลักพระธรรมวินยัยให้เคารพทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตาของพวกท่านทั้งหลายต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งสรุปแล้วก็คือถ้าว่ายังมี ร่ำยึกษุยังมีศีลยังรักษาศีลและวินัยอยู่ยังมีกฎระเบียบอยู่เพราะพุทธศาสนาก็ยังอยู่นานเท่านานนี่แต่นั้นพระสงฆ์ก็เลยลงมติกันว่าเราควรจะสังขารน า, าพระวินัยก่อ น, นคือสังขารย า, าพวินัยก่อนคือพูดเรื่องพระวินัยก่อนคือกฎระเบียบ ก, ก่อนนี่แหละจากนั้นเราก็ท่านก็เลยใครองค์ไหน ที่ได้รับความยกย่องได้รับเอตตะคะหรือบอกยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในพระวินัยในการน้ำแม่นในกฎหมายพูดง่ายง่ายฮะองไหนที่พระพุทธเจ้ายกยกย่องว่าแม่นในกฎหมายในเมืองไทยของเราก็ยังมีแม่นในกฎหมายอันนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็มีแม่นในกฎหมายคือพระอุบาลี พระเถระอุบาลีจากนั้นพระสงฆ์ก็ยกให้พระอุบาลีเป็นผู้พิสัชนาเป็นผู้อธิบายเรื่องวิไนตรงนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องวินัยพระพุทธเจ้าก็ถามพระอานุนที่เป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าที่นั่เหมือนกับเงาตามองค์อยู่ตลอดพระคณะสงฆ์ก็ได้ถามพระมาหากัสจปะก็ได้ถามว่าท่านอานุน พระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรบ้างไหมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านได้สั่งเสียอะไรไหมคือตามเหมือนเราเป็นลูกพ่อแม่เมื่อพ่อแม่จะจากไปท่านได้สั่งอะไรไปไหมอันนี้เราหนึ่งต้องได้ถามกันพระอนุ์ก็บอกว่าได้สั่งเสียไว้อยู่ครับท่านสั่งว่าซึขาบทเล็กน้อยวิญัาของเราตถาคต ที่บัญญัติไว้นั้นสิกขาไหนหยุมหยิ้มจุกจิตศิกขาบทเล็กน้อยที่ไม่จําเป็นให้พวกท่านถอดถอนออกก็ได้นะถอดถอนออกก็ได้แต่นี้พระสงฆ์ก็เลยถามพระอา น, นุ์ว่าท่านอา น, นุนท่านได้ถามไหมว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ถอนอวบติ ศ, ศกขาบทเล็กน้อยนั่นอะ่ะอันไหนคือเล็กน้อยอันไหนคือท่านจะได้ให้สอนกลุ่มไหน อำนาจเล็กน้อยจะให้ถอนกลุ่มในกลุ่มไหนกลุ่มเสกียวัฒแล้วก็กลุ่มปฏิเทชนยะหือกลุ่มอนยศหรือกลุ่มไหนวิจักีปาริาตรีกลุ่มไหนหมวดไหนพระอานต์ก็ตอบคณะสงฆ์ว่าในช่วงนั้นข้าพระเจ้าข้ากับผมเอง้อทราบว่าพระพุทธเจ้าบริณีพานก็เกิดความสดสังเวทใจ ไม่ได้ถามในรายละเอียดพระพุทธเจ้าจะให้ถอนที่ตรงไหนคณะสงฆ์ว่าตำนหนิตำหนิพระอานนุนว่าไม่ขาดความรอบคอบในจุดนี้จำเป็นอย่างยิ่ยงทกจุดนี้ต้องเป็นจำเป็นต้องถามถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้ถอนจุดไหนตรงไหนจึงจะเหมาะสมทีนี้ก็เข้าประเด็นแล้วทีนี้เข้าประเด็นที่หลวงพ่ออยากจะพูด ไอพระมหาทศปาท่านก็ถามว่าเออเอาถ้างั้นก็พระสงฆ์ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ห้าร้อยรูปเนี่ยที่ประชุมกันในวันนี้มีทั้งกษัตริย์มีทั้งพราหมณ์มีทั้งแพทย์มีทั้งสูตรคือประเทศอินเดียมีวันณะสี่วันณะสี่ที่อินเดียมีกษัตริย์มีพราหมณ์มีแพทย์มีสูตร กษัตริย์ก็คือปกครองแผ่นดินพราหมณ์ก็คือผู้รักษากนบธรรมเนียมประเพณีรักษากฎหมายเลยรักษากฎระเบียบของประเทศส่วนแพทย์นั่นก็คือพวกที่ทําการทํามานทํามาค้าขายพวกสูตรนั่นก็คือกรรมกรรับจ้างพวกที่วรรณะต่นนําต่ําสุดก็คือพวกสูตรพวกแพทย์นั่นก็เป็นบรรณะกลางๆส่วนพราหมใ น, นเขาก็ถือว่าเป็นบรรณสูงส่วนกษัตริย์เนี่ยสูงสุด เป็นผู้ปกครองของคนในยุคสมัยนั้นที่เป็นพระหันมีทั้งสามวันณนะเพราะเข้ามาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกันหมดท่านไม่ได้แยกวันลนะถ้าผู้ใดก็ตามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาเร็จเป็นพระหันกบเลิศประเสริฐหรือองค์ไหนบวชก่อนจะเป็นวันณะสูตรก็ตามแต่วันละกษัตริย์ก็ต้องกลับเพราะท่านบวชก่อน พ่อเข้ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วท่านผู้บวชผู้ใดบวชก่อนผู้นั้นคืออาวุโสถ้าไม่กราบปรับอบัตทุกกฎผิดต่อพระวินยัยผิดต่อกฎระเบียบเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้นก็เล็กไทยถามกันว่าเราจะพูดเกี่ยวกับวินัยก่อนแล้วจะให้ใครเป็นผู้สังขา ย, ยาวินยัยนี่เราได พระอุบาลีแต่นี่นพระ อ, อุบาลีท่านก็ถามว่าเราจะทํำยังไงสังขารานาพระวินยัยเราจะเอาเอาไหนออกเราจะเอากลุ่มไหนออกเราจะเอากลุ่มไหนไว้ถามคณะสงฆ์นี่แหละตัวนี้แหละบ่งบอกได้เลยถ้าหากวากลุ่มที่เป็นกษัตริย์ที่ท่านเป็นพระหมหากษัตริย์กฎระเบียบของกษัตริย์ ท่านกออยากจะคงไว้ทุกอย่างที่เป็นแนวทางของการบริหารจัดการเกี่ยวกับกษัตริย์การเป็นอยู่ของกษัตริย์แต่พวกพราหมณ์ที่เป็นท่านเป็นพระรหันเกี่ยวกับเนี่ยแหะเป็นพระสาวกเป็นพระรหันแต่ก็เป็นตระกูลของพราหมณ์ท่านก็ทรงเอาไว้ว่าเนี่ยกฎระเบียบอย่างนี้มันเป็นกลระเบียบดังเดิมความสวยงามของการเป็นอยู่ในพวกแพทย์นี่ยก็เป็นคน สามัญทั่วไปพวกสูตรก็ยิ่งแล้วใหญ่อะไรก็ได้ทั้งหมดไม่ให้มีก็ยังดีเฮ้ยังได้อันนี้ก็คือท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะการเป็นอยู่ของแต่ละวันนะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการประชุมในวันนั้นไม่เอกฉันผูดไ ง, ไง่ายไม่เอกฉันกลุ่มหนึ่งให้เอากลุ่มหนึ่งไว้กลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งไว้กลุ่มหนึ่งให้เอาแนวแถวหนึ่งไว้ผลที่สุด เมื่อไม่เอกฉันอย่างนั้นแล้วจะทำยังไงเพระมหากรรณาธที่เป็นประธานสงท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าขอเสนอต่อสองให้คงไว้ทั้งหมดดีไหมไม่ต้องถอดถอนให้คงไว้ทั้งหมดแต่ถึงยังไงถ้าหาว่าเราถอดถอนก็คงไม่สม่าเสมอเพราะความคิดของพวกเราลกลุ่มหนึ่งให้เอาตัวหนึ่งออกกลุ่มหนึ่งให้เอาสิขาบทหนึ่งออก ก็คงจะไม่เหมาะแต่ว่ากลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้เอาออกค่ะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วทั้งหมดนะั้นมีประโยชน์อยู่แล้วถึงจะไม่มีประโยชน์ในยุคปัจจุบันนั้นในขณะที่เราอยู่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตแต่บางสิ่ข้าบหมดอาจจะไม่เป็นประโยชน์ในอนาคตแต่ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนั่นเองเพราะมันเป็นช่วงๆมันเป็นยุคๆพระมหาคัสบายว่าคงไว้ทั้งหมด ดีไหมนี่แหละบอกว่าดีพระสงฆ์ทั้งหลายลงมติเอกฉันเลยต็บอกว่าดีเอาไว้ทั้งหมดเพราะนั้นศินและวินัยของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มีการถอดถอนออกยังรักษาไว้อย่างเดิมศินและวินยัยนี่แหละที่ผมพูดว่าการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายเกี่ยวกับวินยัย บางทีตระกูลที่มีตระกูลก็รักษากฎรู้จักกฎระเบียบ ม, มีเลยกกิมีริยามนรยาตในการเป็นอยู่แต่พวกเราบางกลุ่มบางพวกก็ไม่ได้รักษาวินัยเพราะว่าพวกเราไม่อยู่ในกฎอยู่ในเบียบยังไงก็ได้แยบบสบาย อ, อ, อันนี้แนหะคือพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีความจำเป็นและสาคัญที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันมากมายก็เหมือนกับ พวงมาลาพวงดอกไม้ถ้าหากว่ามีสีเดียวมีแต่สีแดงสีแดงนี่นแหละสวยงามแล้วว่าสีขาวนี่นแหละสวยงามเหรือว่าสีม่วงอะไรนี่สวยงามแต่มีสีเดียวพวงมาลานั้นก็ไม่มีคุณค่าแต่พวงมาลานั้นมีลากสีนายช่างผู้ฉลาด ก็เก็บพวงดอกไม้มาร้อยให้เป็นพวงมาลัยมีสลับสีในพวงมาลัยนั้นพวงมาลัยพวงนั้นกับพวงมาลัยที่สีเดียวกับพวงมาลัยที่ลากสีถ้าจะให้คนเลือกเขาก็ต้องเลือกพวงมาลัยที่ลากสีเพราะมันสวยกว่างามกว่าเพราะพระพเจ้าท่านเปรียบเทียบเนี่ยแหละสงฆ์ทั้งหลายมาจากสกุลต่างๆมาอยู่ในศาสนาของเราตถาคตต่างคนก็ต่างอยู่ในศีลและวินัย ตาคนก็อยู่ในภาคปฏิบัติของรัะต ก, กูลของแต่ละเผ่าพันธุ์พอเข้ามาแล้วก็มีนานาจิตต่างนานาทัศนะมีความคิดแต่มีจุดยืนเคืออ่อนเดียวกันคือหวังความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมุ่งหวังต่อแดนพันิพาณเท่านั้นคือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหวังของประสงค์ที่มาบวช น, นอกนั้นก็เรื่องศีลและวินยัยก็เป็นผู้ให้ช่วยกัน ประคับประองได้ช่วยการรักษาพออยู่ในกฎระเบียบถ้าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้พวกเราก็ให้ฟังให้ศึกษาเอาไว้นี่แหละความเป็นมาของหลักพระธรรมวินยัยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นมาลักษณะอย่างนี้ในพระไตรปิฎกก็ได้มาพูดถึงพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกัน ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เคารพสิทธิซึ่งกันละกันเรามุ่งหวังอะไรที่เขามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เรามุ่งหวังลาบยศชนะเสริญอย่างนั้นใช่ไหมแต่ก็ไม่น่าจะใช่เราควรจะมุ่งหวังหาทางพ้นทุกจะทํำยังไงพวกเราจรึงจะพ้นทุกในโลกอัตธสงสารจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอย่างทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ อันนให้พวกเราศึกษาแล้วก็พยายามฟังและศึกษาสรุปแล้วก็อยู่กับตัวเองทั้งหมดมันจะดีหรือจะชั่วจะเร็วหรือจะดีอยู่กับตัวเองมันไม่อยู่กับสถานที่และไม่อยู่กับที่อื่นถึงจะไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าขนาดไหนก็เถอะยังตกอเวกีมหานนลนรกได้อย่างพระเทวทัตบวชศาสนาของพระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังออกนอกลู่นอกทาง เป็นคนชั่วเป็นพระที่ชั่วไปได้นี้ก็เหมือนกันถึงพวกเรามาอยู่ที่นี่อยู่ในสถานที่ก็ให้พยายามสำรวมระวังดึงศีลและวินยัยให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติพวกเราอยู่ในกุฏิหลังไหนอย่างวันนี้แหละเป็นวันพระเราควรจะตั้งจิตเอาไว้วันนี้คืนนี้เราจะนั่งภาวนา ให้ได้นานที่สุดเราจะนั่งทั้งคืนเราจะนั่งกี่ชั่วโมงเราจะเดินตลอดคืนเหล่านี้ให้พวกเราให้มีหนักมีเบาในการทำความภาคเพียรไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเกา่าถ้าพวกท่านทั้งหลายวันไหนก็วันเกา่าไม่มีวันหนักวันเบาไม่มีวันที่จะเข้มงวดขวดฐันกับตนเองพวกท่านทั้งหลายบวชไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ประทับใจไม่ภูมิใจ ในการปฏิบัติธรรมของพวกท่านเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องมีวันหนักวันเบานะการทำความภาคเปลี่ยนในทุกวันพระเนี่ยเราจะนั่งภาวนาให้นานที่สุดเดินทุกมให้นานที่สุดและพยายามทำ จ, จิตใจบังคับใจตัวเองให้อยู่ในสมาธิให้มากที่สุดพยายามบังคับใจไม่ให้คิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้มากที่สุดเนี่ยถ้าว่าเรามี บริขารมีผ้าพองมีถิ่หมอนม้งครอบเราจะไปนั่งภาวนาที่ไหนกุฏิหลังไหนร้านหลังไหนเราก็ไปไปพักเราไม่ต้องเฝ้ากุฏิกุฏิไม่ไปไหนมันอยู่ที่เก่าแล้วละเราไปพักที่ไปภาวนาที่โปรงโปรงที่โลง่ลงโลแล้วก็เดินโยมลมมากันนั่งภาวนาเดินสลับนั่งนั่งสลับเดินนี่แหละคือการทำความภาคเพีย ผู้แสวงหาทางสงบลึกหาทางพ้นทุกขต้องมีลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายทําอย่างเก่าอย่างเก่าอย่างเก่ากินและนอนภาวนาก็ยกหยกเกลียกลอย่างเก่าอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นที่ประทับใจเปน็นการขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเอารักษาศีลก่อนคือรักษาศีลอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ส่วนปฏิบัติจิตภาวนาก็อย่าได้ล ด, ดละ พยายามเข้มงวดขวดขันกับตนเองนะวันนี้พูดยาวเกี่ยวกับปารกเกี่ยวกับวินัยต่อความเป็นมาของศีลและวินัยให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเอาตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมกข์เมื่อสวดท้ายพระปฏิโมกข์จบแล้วนักกับที่พักจากนั้นก็ลงมาอีกประมาณเกือบทุ่มนะ่ะพอ ม, มืดแล้วก็ลงมาทีศาลาอีกนะส่วนจะให้นิสัยพระใหม่นั่นก็คงจะเนี่ยนะสุดท้ายนั่นละเราจะให้นิสัย ตามพวินัยนะต่อนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมก